เวลาที่เข้าสมาธิเนี่ยความใส่ใจความตั้งใจก็เป็นหัวใจเป็นหัวใจสำคัญของการมาฝึกสติของการมาทำความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นนะความตั้งใจที่ใจเราจะอยู่ในการงานอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ แต่ความตั้งใจก็ต้องให้มันมีความพอดีนะมากเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปมันก็ทําให้เปลี่ยนจากฉันทะคือความพอใจในการที่เราได้ทําการงานกลายมาเป็นตันหากลายมาเป็นโลภะแล้วเราจะทํำยังไงให้มันพอดีพอดีละ่ะก็ทำได้เล่นไง ทำเล่นๆแต่ก็ทำจริงจังเล่นเล่นก็หมายถึงว่าเราไม่ขึงเครียดกับมันทำอารมณ์ความรู้สึกให้มันเบาสบายปลอดโปร่งแต่ถ้ามันไม่สบายไม่ปลอดโปร่งเราก็เอาใสยสัญญาคือการนึกถึงอารมณ์เก่าๆที่เราเคยเป็นมันก็พอเทียบเคียงได้ว่าอ๋ออารมณ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ เราก็พยายามสลัดอารมณ์ตอนนี้ออกไปแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าเจริญสัญญาสัญญาเก่าๆอันนั้นกลับขึ้นมาแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตามุ่งทำงานให้มันเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ไปกะเกณอะไรกับมันมาก เราก็แค่อยู่กับปัจจุบันในขณะของเราให้มันดีอยู่กับปัจจุบันในขณะอย่างเบาสบายผ่อนคลายที่ใจนะเรื่องในอดีตมันจะมีมายังไงเรื่องของวันนี้มันจะมีไปอย่างไงเรื่องของเมื่อวานมันจะเป็นแบบไหนหรือว่าวันเก่าๆมันจะอย่างไงก็มันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้ว แต่ณนะตอนนี้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ก็คือว่าใจของเราต้องอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธแต่ถ้าอยู่ลมหายใจอยู่กับพุโทโธมันยังหนักมันยังแน่นเราก็นึกถึงใจที่มันปลอดโป่งจากการที่เราเคยได้เข้าสมารท์ที่แต่ไม่ใช่วันนึกแล้วก็เอาใจไปคาดหวังว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะไม่ใช่อย่างนั้น แต่พายจรว่าเรารู้ว่าตอนนี้มันตึงเกินไปมันไม่พอดีเราก็ถอยอ่ะถอยหย่อนสัหน่อยหนึ่งไม่ให้มันตึงเกินไปหรือว่าถ้ามันย่อหย่อนเกินไปเราก็ต้องเข้มกับมันสักนิดหนึ่งตึงเพื่อหย่อนหย่อนเพื่อตึง ตึงเพื่อย่อนมันก็ไม่ใช่ว่าตึงแล้วมันไปหย่อนนะก็ตึงเพื่อมันพอดีขึ้นน่นแหละแล้วเราก็หย่อนให้มันมันจะได้พอดีถ้ามันตึงเกินไปซึ่งอารมณ์ที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันก็เป็นของที่ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกับมัน มันจะดีมันจะสงบมันจะผ่องใสหรือว่ามันจะเศร้าหมองขุ่นมัวมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรากาหนดรู้แต่ไม่ไม่เอาใจไปหามันมันไม่ดีแล้วก็รู้ไว้รู้ไว้ว่าจิตตอนนี้มันไม่ดีนะมันหนักมันเศร้าหมองหรือ มันขุ่นมัวมันไม่ใช่ชื่อไม่เบิกบานนันเราก็รู้อยู่แต่ถ้าเรารู้อย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเห็นกายเหมือนกันการที่เรามีสติเห็นกายเราก็จะเห็นว่าสติของเราอันหนึ่งกายที่ถูกดูถูกรู้ก็เป็นอันหนึ่ง แต่ถ้าเราเผลอสติเมื่อไรเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่ากายอันหนึ่งใจอันหนึ่งสติอันหนึ่งใช่แต่การที่เรามีสติอยู่อย่างนี้เห็นกายอันหนึ่งแล้วเราเป็นผู้ดูผู้รู้มันเนี่ยกายมันก็โดนแยกออกจากใจออกจากความรู้สึกในใจอารมณ์ในใจเนี่ยก็ปฏิบัติเหมือนกัน ก็คือเราเห็นอารมณ์ในใจของเรามันจะดีก็ตามหรือมันไม่ดีก็ตามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีหน้าที่คือไปรู้มันใช่ไหมว่ามันเป็นของมีอยู่ว่ามันเป็นของมีอยู่แล้วมันดีหรือมันไม่ดีเราก็รู้แต่พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อว่ามันได้โดนแยกออกไปจากเราเราจริงๆก็คือเป็นตัวผู้ดูผู้รู้อยู่ พอดูรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นลงไปในใจได้เลยว่าแม้แต่อารมณ์ในใจแม้แต่ความผ่องใสแม้แต่ความเบาสบายปลอดโปรง่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งจากเราหรือมันจะเศร้าหมองขุ่นมัวหนัก มันก็เป็นสิ่งหนึ่งจากตัวรู้ที่ไปรู้ของเราเหมือนกันแต่แน่นอนแหละความรู้สึกในใจถ้ายังไม่ได้พิจารณาหรือไม่ได้บอกสอนมันให้เข้าใจเวลามันเห็นมันก็จะคว้าว่าอ้าวเราเศ้าหมองอยู่เราขุ่นมัวอยู่หรือว่าเห็นปุ๊บเราก็โอ้เราผ่องใส เห็นปุ๊บเราก็อ้อเราช่ำชื่นเบิกบานพูดง่ายๆคือพอเห็นแล้วปุ๊บมันก็คว้าเข้ามาคว้าเข้ามาว่าเออเราดีหรือเราไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเห็นมันอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราแล้วนะแต่เพราะเรารู้แบบไม่ทุวนที มันก็ทำให้ขวา้าคว้าเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจเป็นของของใจแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วเราเท่าทันกระแสของใจที่มันคอยรู้สึกว่าเออนี่แหละเรานะมันเศร้าหมองอยู่อารมณ์ในใจของเรามันเศร้าหมองอยู่นะอารมณ์ในใจของเรามันหนักอยู่นะหรืออารมณ์ในใจของเรามันผ่องใส แช่มชื่นเบิกบานนะถ้าเราเท่าทันอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่เราเห็นกายนั่นแหละที่ว่าเราก็มีสติใจอยู่ที่สติแล้วเราก็เห็นกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งซึ่งความรู้สึกในนักขณะตอนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นได้ดีขึ้นนั่นแหละว่า อกายจริงๆมันก็ไม่ใช่ของเราสัทีเดียวนะเพราะว่ามันก็สั่งบังคับบัญชาไม่ได้มันก็แปลเปลี่ยนไปตามสภาพมีแก่มีเจ็บสุดท้ายความตายมาเยือนมันก็แตกสลายกายไปเป็นาตามธาตุของเดิมของมันดินก็ไปดินน้ำกบ น, น้ำไฟก็ไฟลมก็ลมมันก็สลายไป การประชุมของท่าสีมันก็เลิกประชุมกันตอนที่ความตายมาถึงใจก็ไม่ค่อยต่างกันอารมณ์ในใจก็ไม่ต่างกันก็ให้เห็นลักษณะแบบนี้แหละว่าเวลาที่อารมณ์มันเกิดขึ้นมันก็มีความฝ่ายดีบ้างฝ่ายไม่ดีบ้างสลับกันไป แต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่ละเอียดละ อ, อเนี่ยมันก็จะจิตใจหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มันเป็นเวลาที่มันเกิดไปในฝ่ายไม่ดีมีเศร้าหมองมีขุ่นมัวมีหนักมีความเร่าร้อนมันก็กลายเป็นว่าโอ้อยเราก็ดิ้นรนละจะทำยังไงดี ให้เดี๋ยวจะต้องปรับยังไงให้มันดีหรือพอมันไปในฝ่ายดีคือแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสก็มีจิตใจที่เออเดี๋ยวเราจะต้องพยายามรักษามันให้ให้ดีไม่ให้ความผ่องใสความแช่มชื่นเบิกบานอันนี้มันลดน้อยถอยลงหรือหายไป แต่พอเราพยายามอยู่บ่อยๆเราก็จะเห็นได้ถึงสภาวะที่เราเรียกว่ามันก็เป็นของไม่เที่ยงมันก็เป็นของที่ควบคุมไม่ได้ตลอดมันก็เป็นของที่จะเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเหมือนกันพอเวลาที่มันไม่ดีเราก็อยากจะ ให้ความไม่ดีมันออกไปใช่ไหมแต่เวลาที่มันดีเราก็ยังอยากที่จะยึดมันไว้คงสภาพมันไว้แต่ความเป็นจริงคือเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีสลับกันไปนั่นแหละเราก็น่าจะเห็นโทษของมันได้แล้วว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ต่างจากสิ่งอื่นๆที่มันก็เปลี่ยนแปลงไปให้เราเห็น เราก็ไม่ควรที่จะมีใจที่จะไปผูกพันยึดติดแม้อารมณ์ในใจซึ่งเราบังคับไม่ได้หรอกซึ่งเราจะพยายามปั้นแต่งให้มันเหมือนกับที่เราอยากจะสั่งมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้แบบร้อย อาจจะถูกตามเงื่อนไขมันก็ได้ตามใจเราบ้างบางครั้งบางครั้งมันก็ไม่ถูกใจเราซึ่งถ้าเราพยายามที่จะรักษาพยายามที่จะควบคุมยังไงยังไงมันก็ต้องเป็นสิ่งนำทุกข์มาให้เราแน่นอนเพราะว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดา อารมณ์ในใจความผ่องใสก็ดีความเศร้าหมองก็ดีความเร่าร้อนก็ดีความสงบเย็นเบาสบายก็ดีมันก็เป็นของเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นของมีสาระควรค่าแก่การที่เราจะเอาใจไปผูกไว้ใจเราก็จะไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปผูกใจไว้กับ คนรักหรือไปผูกใจไว้กับของที่เรารักหรือว่าไปผูกใจไว้กับความเกลียดความโกรธในคนสัตว์สถานที่อะไรต่างๆพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วมันก็ออาแล้วเราจะไม่พิจรารณาเลยแล้วเราจะทำยังไงพิจรารณาให้มันเห็นอยู่แล้วม่าเป็นหน้าที่ของเรา แต่สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาไปให้มันตึงก็คือเราเห็นถึงความที่มันเป็นของเปลี่ยนแปลงไปควบคุมไม่ได้เราก็ต้องเห็นให้ใจมันเห็นถึงว่าแม้แต่จิตที่มันผ่องใสจิตที่มันเศร้าหมองเ น, นี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่ควรไปให้ค่ากับมัน ไม่ควรจะไปให้สาระสำคัญอะไรกับมันมากถ้ามันเศร้าหมองเราก็รู้ก็รู้ว่ามันเศร้าหมองนั่นแหละถ้ามันหนักเราก็รู้ว่ามันหนักแต่รู้แค่นี้พอหรื อ, อยังก็ตอบว่าก็ดีแล้วแต่ยังไม่พอนะถ้าจะให้ดีเนี่ย รู้แล้วเนี่ยเราต้องกําจัดกระแสของใจที่จะไปคว้าว่าเราเศร้าหมองเราผ่องใสด้วยเราก็ต้องพยายามดึงใจเห็นความเศร้าหมองเห็นความผ่องใสเราก็ดึงดึงใจของเรากลับมาไว้ที่สติเฉพาะหน้า พอเราดึงกลับมาไว้ความใส่ใจความสนใจของเราดึงกลับมาไว้ที่สติเฉพาะหน้าได้ใจเราก็จะได้ตัดเยื่อใหญ่ออกไปครั้งหนึ่งตัดเยื่อให่ที่มันมีกับความเศร้าหมองความผ่องใสความเร่าร้อนความสงบเย็นต่างๆเหล่านี้ในจิตของเราเราก็จะเห็นมันเป็นข้างนอก ส่วนตัวเราอยู่ข้างในแต่ที่ว่าข้างนอกก็คือภายในตัวเรานั่นแหละหมายถึงว่าถ้าจะบอกว่ากายคือข้างนอกแล้วก็ข้าวของรถราอะไรต่างๆเป็นข้างนอกก็คือข้างนอกแต่แม้แต่อารมณ์ในใจของเรามันก็คือข้างนอกเหมือนกัน เราบอกว่าการส่งออกนอกคือการที่เราส่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ถูกแต่การที่เรายังส่งไปหาความเศร้าหมองความผ่องใสมันก็คือการส่งออกนอกอยู่แต่มันส่งออกนอกแบบอยู่ข้างในถ้าพูดให้ถนัดเทนหน่คอยก็ส่งในส่งออกในส่งออกอยู่ข้างใน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดึงมันกลับเข้ามาอีกดึงกลับมาไว้ที่พูดโทรที่ลมหายใจหรือว่าจริงๆก็คือที่สติเฉพาะหน้าของเราดึงกลับมาไว้ที่ตรงนี้เอาใจของเรามาแปะเอาไว้ตรงนี้ พอเราเอาใจมาแปะเอาไว้ตรงนี้ที่สติเฉพาะหน้าได้เราก็จะได้เห็นว่าแม้อารมณ์ห่องใสแม้อารมณ์เศร้าหมองแม้แต่อารมณ์ที่มันขัดเคืองขุนเคืองมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ติดความเป็นองเราติดอยู่กับเราแต่มันก็เป็นสิ่งที่ห่างไกลออกไปจากความเป็นเราอยู่แต่แน่นอนละ่ะถ้ามันมีอย่างนี้แล้วเนี่ย โดยเฉพาะในฝ่ายที่มันเป็นเศร้าหมองเราร้อนขุ่นมัวเนี่ยถ้าเราไม่ละเอียดละออมมันก็จะมีความอยากตัณหาความทยานอยากมาคอยกระตุ้นเราแลยว่าหอเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะแต่ถ้าบอกว่าให้ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เหมือนกันพูดไปพูดมามันจะเหมือนกับอา้าว พูดอะไรเนี่ยจะบอกให้ไปทางขวาไม่ให้ไปทางซ้ายอาจจะพูดไปพูดมาเหมือนจะให้ไปทางซ้ายไม่ไปทางขวาเช่นกนคือเรามีหน้าที่กําหนดทุกเนี่ยมันมีหน้าที่กําหนดอย่างเดียวคือรู้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้มีหน้าที่กําหนดคือละทุกนะเพราะฉะนั้นถึงมันจะเศร้าหมองก็ดีมันจะขุ่นมัวก็ดีเร่าร้อนก็ดีเรามีหน้าที่คือรู้ รู้ว่ามันมีทุกข์อยู่พอเราเห็นทุกข์อันหนึ่งที่มันจะเกิดตามมาคือความทยานอยากในใจที่มันจะคอยเล่นงานเราเนี่แหละอันนี้มันเป็นเรื่องภายในนะแต่เรื่องภายนอกเนี่ยเราก็ต้องบริหารไปพร้อมๆกับภายในเหมือนกันเราบอกว่าเหมือนกับรถชนเนี่ยเราบอกว่าจะ นั่งอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเงี้ยมันก็ไม่ถูกภายนอกเรามีหน้าที่ต้องทำก็ต้องทำไปเรียกประกันหรือว่าอ่าเวลาเราเจอหน้าคู่กรณีเขาร้อนมาเราก็ไม่ไปใส่เขาไม่ไปสวนเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยท่าทีท่าทางที่มันจะก่อเรื่องก่อราวเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ ข้างนอกก็ต้องบริหารจัดการไปเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ไม่ต้องมาเพิ่มความทุกข์ให้มันล้นกลับเข้ามาในจิตใจแต่ส่วนภายในแน่นอนแหละคนเรามันไม่ใช่พระอิฐพระปูนใช่ไหมมันก็ต้องมีความโกรธขึ้นมาบ้างมีความขัดเคืองบ้างหรือมีความกลัวเกิดขึ้นบ้างซึ่งความโกรธความขัดเคืองความเร่าร้อนความกลัวอะไรต่างๆนานาเนี่ย มันก็จะผลักดันให้เราคิดพูดทาไปในแบบที่กิเลสพาคิดพาทมพาพูดแต่ถ้าเรามีสติที่มันดีเนี่ยเราก็จะเหมือนมีทํานบมีเขื่อนที่มันจะกันไอสิ่งไม่ดีเหล่านี้อันนี้ก็คือบริหารภายในจิตใจของเราไม่ให้มันมีผลไม่ให้มันมีอิทธิพลกับจิตใจ แล้วก็ล้นทะลักออกไปเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีล้นทะลักออกไปเป็นทางกายทางวาจาที่ไม่ดีซึ่งการที่เราเห็นคนทะเลาะกันเนี่ยแน่นอนแหละมันก็มาจากใจนี่แหละมาจากใจที่มันไปเพื่อโทสะโลภะโมหะราคะเหล่านี้มันบงการอยู่ณตอนนั้นมันครอบใจ มันบังคับใจบีบคั้นให้เราเห็นเห็นว่าเราต้องตอบโต้ไปแบบนี้เราต้องทําแบบนี้เราถึงจะสะใจแล้วก็หายความขัดเคืองขัดข้องหรือหายทุกข์ใจกิเลสก็พามองภาคิดไปแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามีสติเรื่องราวใน มันผ่านไปอารมณ์ในใจสงบลงเย็นลงเราก็จะเห็นว่าอ้าวไม่น่าทำเลยละตอนนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปมันก็มีกิเลสคอยชักจูงบีบคั้นจิตใจใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากให้การงานที่เราต้องทำเนี่ยมันไปแค่เฉพาะด้านนอกอย่างเดียวการงานภายในก็จำเป็น ที่จะต้องบริหารไปพร้อมๆกันความขัดเคืองเกิดขึ้นเราก็รู้รู้นี่มันเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เราไม่ส่งใจไปยึดมันว่ามันเป็นเราเราก็เห็นได้มีสติเห็นก็ เ, ออเห็นเหมือนอย่างนี้แหละโกรธพุ่งขึ้นมาแล้วแต่เราจะบริหารความโกรธของเราก็คือเราไม่ส่งใจไปคว้าความโกรธ แต่การที่เราจะไม่ทําให้ใจของเราเนี่ยไปคว้าความโกรธหรือให้ความโกรธครอบงําจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีหลายๆแบบหลายๆวิธีที่เราจะสรรหามาใช้นะ่ะอย่างหนึ่งก็คือเราก็ไม่ไปต่อลาะต่อเถียงความโกรธก็ไม่ เ, เพิ่มเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะเราเห็นความโกรธแล้วนี่รรู้แล้วนี่ว่าถ้าเราตอบโต้ด้วยความโกรธคว้าความโกรธมาเป็นเราแล้วเราก็ตอบโต้ไปแบบ ให้ความโกรธมันพาไปมันก็มีแต่เรื่องแต่ราวเห็นโทษแล้วไงเห็นโทษเราก็ไม่เอากเราทํายังไงเราก็ทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นอย่างเช่นโทรเรียกประกันบ้างหรือ ว, ว่าเปลี่ยนบทสนทนาหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ไปเลยอย่างนี้มันก็ช่วยที่จะทำให้ เงื่อนไขาภายนอกลดลงมันก็เอื้อกับเงื่อนไขาภายในที่มันจะลดลงไปด้วยจะบอกว่าจะเอาข้างนอกมาแก้ข้างในข้างในแก้ข้างในอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเพราะนั้นข้างนอกช่วยข้างในข้างในมันก็ช่วยข้างนอกเหมือนกันการที่เราเห็นมีสติเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นโทษของการที่ทำไปตามอำนาจโลภะโทสะโมหะราคะ แล้วเราก็จะไม่ปล่อยให้ใจเราโดนควบคุมอยู่ไหมถ้าเราก็จะย้อนกลับมาไว้ในสิ่งที่มันจะเป็นเครื่องอยู่ที่ดีถ้าเราเอาใจไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะครอบงำเราได้ยากควบคุมเราได้ยากก็คือเรามีสติย้อนใจมาไว้ที่สติย้อนใจมาไว้ที่พุโทโธย้อนใจมาไว้ที่ลมหายใจ พเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันก็เหมือนเกิดขึ้นอยู่ข้างนอกนั่นแหละก็เกิดไปเกิดไปเกิดไปเกิดไปเกิดไปเราก็เห็นนะ่ะเกิดไปพอเราเอาใจเราอยู่ในสิ่งที่เป็นอโลภาอโทสะอโมหะคอยควบคุมใจอยู่ใจเราก็ไม่ไหลไปตามโลภาโทสะโมหะราคะมันก็จะได้ทําอะไรดีๆข้างนอกออกไปด้วย ฉะนั้นการที่เรามีสติที่คอยรักษาใจก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยย้อนใจกลับมาไว้ที่สติคอยเห็นลมหายใจอันหนึ่งคอยเห็นกายอันหนึ่งคอยเห็นอารมณ์ในใจอันหนึ่งคอยเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันก็จะทําให้เราเห็นนั่นแหละว่า ไอสิ่งที่มันจะเป็นความคิดก็ดีอารมณ์ในใจก็ดีร่างกายก็ดีมันก็เป็นส่วนนอกไป ต, ตัวเราก็อยู่กับการรู้รู้เท่าทันแล้วก็ไม่ไหลไปตามอันนี้มันก็แบบห ย, ยาบๆรวมไปถึงกลางๆ ล, ละเอียดละเอียดไปด้วย แต่ถ้าเราไม่ได้มีเหตุการณ์ที่มันมาบีบคั้นเราอยู่กับตัวเราเองไม่ได้มีเรื่องวุ่นวายข้างนอกมาอันนี้ก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเราดูเราก็จะเห็นนั่นแหละว่าใจมันก็ไหลไปตามอารมณ์นั่นแหละเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นการทอดอารมณ์ก็ตามเหมือนเมื่อลอยทอดอารมณ์ไปใจมันก็ไหลออกไป ใจมันก็ไม่ได้อยู่ที่ที่ที่ควรอยู่คือสติเฉพาะหน้าก็ไปคว้าอารมณ์เลื่อนลอยอันนั้นนะ่ะเอาไว้แต่นี้ก็จะดูยากนิดหนึ่งก็ต้องคอยสังเกตว่าถ้าใจเราเผลอใจเราเหมือ่อทอดอารมณ์ไปอย่างนั้นน่ะก็ให้รีบดึงกลับมาไว้ทำความตื่นทำความรู้ เอาไว้ที่สติเฉพาะหน้าทันทีพราะเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่ไม่เอาสาระจริงจังอะไรกับไออารมณ์ในจิตใจอารมณ์ที่มันปรุงแต่งทั้งดีบ้างทางไม่ดีบังเราก็จะเห็นถึงความไม่มีสาระของมันมากขึ้นดีขึ้น แล้วการที่เราได้ยกใจความใส่ใจมาไว้ที่สติเฉพาะหน้าเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันดีกว่าดีกว่าเยอะเราก็จะพัฒนามันอะไปจนถึงแม้แต่จิตใจของตัวที่เราเห็นว่ามัน ดีนักดีหนาที่เรา ต, ต้องคอยประคับประคองมันไปว่าไอตัวนี้แหละถ้ามันดีไปถึงที่สุดเดี๋ยวมันจะต้องเขาเรียกว่าถึงความหลุดพ้นเราก็จะปล่อยวางมันได้ไม่มีใจไปผูกติดผูกยึดกับมันเราก็มีความใส่ใจอยู่ที่สติเฉพาะหน้าแล้วก็รู้รู้เท่าทัน ตามความเป็นจริงในสภาวะต่างๆก็คอยที่จะประครับประครองสติคอยเห็นคอยรู้อยู่เรื่อยๆ